ยังไม่ถึงเวลานะคุยเรื่องอื่นก่อนก็ได้มีคนมาถามนะว่าเมื่อไรจะเปิดคอร์สที่วัดไม่เคยเปิดคอร์สแต่ไหนแต่ไรมากลุ่มต่างๆเขาจัดคอร์สของเขาเองแล้วก็เชิญพวก ผู้ช่วยสอนไปสอนก็ถามมาทำได้ไหมอยากจ่าก็เรื่องของคุณหลวงพ่อไม่ได้ไปห้ามดูแลกันเองเรื่องรักษาระยะห่างเรื่องอะไรส่วนใหญ่ก็ไปสอนกันในห้องแอร์ปัญหามันมีเชิญผู้ช่วยสอนได้ไหมก็เชิญได้นะถ้าถ้าเขารับหลวงพ่อก็ไม่เคยบังคับ ว่าผู้ช่วยสอนต้องไปสอนที่นั่นที่นี้เป็นงานอาสาสมัครอยากไปก็ไปไม่พร้อมก็ไม่ไปจะพาคอร์สเข้ามาฟังในนี้ได้ไหมคงไม่ได้หรอกที่เรารับคนได้เจ็ดสิบห้าที่บางคอร์สใหญ่กว่านี้บางคอร์สเกินเจ็ดิห้าคน บางครั้งก็ห้าสิบคนอะไรยนี่ทุกวันนี้เปิดเจ็ดสิบห้าคนก็เปิดวงกว้างทุกคนมีสิทธิ์เท่าเกันวิธีให้จองคนก็ดีอย่างหนึง่งพวกเราไม่ต้องตื่นมาวัดตั้งแต่มืดที่ผ่านมาตีสี่ตีห้ามาเฝ้าอยู่หน้าวัดแล้วพอเปิดประตูรั้ว บางคนก็จอดรถทิ้งไว้ตรงนั้นเลยตัวเองวิ่งเข้าศาลาเลยจะมาจองที่จอดรถขวางทางไว้งันนะวิ่งกันโอปักหัวปัม๊มอย่าแย่งที่นั่งในศาลาต่อไปถึงไม่มีโรคระบาดหลวงพ่อก็ว่าจะเปิดให้จองแบบนี้แล้วมันยุธทําดี คนทั่วๆไปก็ได้มีโอกาสฟังธรรมบ้างไม่ต้องวิ่งวิ่งอยังไงก็ไม่มีสติหรอกจะวิ่งอย่างมีสติมันเป็นไปไม่ได้นะขนาดนั้นมันโลภมาแย่งกันเข้ามาพวกที่เคยมาบ่อยๆแย่ยงชำนาญก็ได้พื้นที่ไปเยอะหน่อยคนมาใหม่ๆแย่งไม่เป็น ไม่รู้ว่าช่วงนี้คนจะวิ่งมาแย่งอะไรเงี้ยเข้าสามไม่ได้แต่ตอนนี้ทุกคนมีโอกาสเท่าๆกันแล้วทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่หลวพ่อยังบอกเลยว่าเวลาเปิดจองให้บอกล่วงหน้ามีวันนัดเช่นวันที่ย5ิบห้ารือวันที่ยี่บหกอะไรเงี้ยจะเปิดจองเซตให้มันลงตัวไปเลยเปิดวันนี้แหละ พวกเราไม่ต้องเคร่งเครียดว่าจะต้องคอยมาดูว่าเมื่อไหร่จะเปิดเดี๋ยวไม่ทันนะไว้หาเวลาที่คนส่วนใหญ่สะดวกอย่างบางเวลาคนอาจจะไม่สะดวกอย่างอยู่ในรถอยู่อะไรนะันไม่สะดวกดูที่คนส่วนมากสะดวกก็แล้วกันว่าช่วงไหนเราบอกไ้เลยววันที่นี้เวลานี้ ใครอยากจองก็ให้เขาจองได้แฟแฟกันไม่ต้องลุกลีลุกลุนที่จริงธรรมะที่หลวงพ่อสอนให้นะฟังจากยูทู e หรือดูวิดีโอมีวิดีโอแจกทุกวันนี้ก็มีไลฟ์สดให้ฟังธรรมะเหล่านี้ถ้าเราฟังแล้วลงมือปฏิบัติจริงๆนะ่ มันมีผลแน่นอนการปฏิบัตินะมีผลแน่นอนถ้าทําถูกแต่ถ้าปฏิบัติผิดก็มีผลที่ผิดนะเช่นสะสมมิจฉาทิฏฐิให้มากกว่าเก่าปฏิบัติแล้วกูเก่งกูเก่งกูรู้มากกว่าคนอื่นปฏิบัติแล้วตัวกูเบ้อเล่อเลยนั้นทําผิดแน่นอนถ้าปฏิบัติถูก ตัวกูมย่งค่อยๆเกี ย, ยวเฉาเล็กลงไปเวลามันเกิดทิฏฐิมานาขึ้นนะูอย่างน้นกูอย่างนี้นอยอยนสติระลึกรู้พบนะมันจะละอายแก่ใจเวลาเซลเกิดขึ้นมามนจะรู้สึกละอายมันไม่ใช่เรื่องหน้าภูมิใจอย่างแต่ก่อนละเนี่ยถ้าเราภาวนาถูกนะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลย แต่เดิมของที่ควรละอายมันไม่ลายกิเลสเนี่ยเป็นของที่ควรลายเราภาวนาไม่เป็นเราไม่รู้สึกน่าละอายอะไรเวลาจะทำดีจะทำบุญจะใส่บาตรจะฟังธรรมรู้สึกละอายบางคนจะฟังเทศนะ์นะต้องใส่หูฟังนะกลัวคนเขาได้ยินอนะไรั้นเดี๋ยวเขาหัวเราะย่อกาว่าหัวโบราณ ของที่ควรล า, ายนะัคือกิเลสตัณหาทั้งหลายนะไม่ค่อยละอายของที่ไม่ควรลายเราละอา ย, แ, าอายแต่เมื่อครั้หลวงพ่อก็ระวังเหมือนกันอย่างเราจะเดินจงกลมเนะี่ยเราก็พยายามไม่ให้คนอื่นเขารู้หรอกหลวงพ่อใช้วิธีเดินเหมือนเดินธรรมดา น, นี่แหละเดินไปวัดเดินไปเลยกินข้าวเสร็จแล้วก็เดิน เดินไปเดินไปเดินไปแล้วก็เดินกลับคนถามว่าเดินไปทําอะไรทุกวันเดินไปไหว้พระถ้าเดินไปไหว้พระคนยังยอมรับได้บ้างนะแค่หัวเลาะหัวโบราณแต่ถ้าบอกว่าเดินจงกรมนี่มันต้องว่าเราบ้ายุคนี้มันยุคโลกของคนบ้าคนไหนบ้าด้วยกนนันก็ถือว่าเป็นคนดี คนไหนดีไม่ทำตามมาตรฐานมันก็ว่าเราบ้านะแล้วช่างมันทางใครทางมันเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่รู้ว่าสิ่งที่เราทำเป็นประโยชน์มีคุณค่ากับตัวเราเองเราก็ทำไม่จำเป็นต้องไปฟังเสียงคนอนื่นนิฆราวาสเนี่ยส่วนใหญ่มันทนกิเลสไม่ไหว วันหนึ่งวันหนึ่งนะฟุ้งซ่านตลอดเวลายิ่งเล่นอินเทอร์เน็ตนะเล่นเฟซเล่นไลน์อะไรเงี้ยโอกาสดีนะี่ยากมากเลยแต่ถ้าเล่นเพื่อทำมาหากินหลวงพ่อไม่ว่านะเล่นแล้วขายของได้อะไรก็ดีใจด้วยแต่ถ้าวันวันหนึ่งหมดเวลาไปไกลอินเทอร์เน็ตนั่งดูพักพวกเราเขาเขียนอะไรนะเราจะได้ เข้าไปกดไลค์กดแชร์เขาแสดงให้เห็นความเป็นพวกเดียวกันเวลาเราเขียนอะไรโง่ๆงงเขาจะได้มาแชร์ละมาไ like ลค์เราบ้างถ้าใจว่างไว้อย่างนี้อย่ามาคุยเรื่องภาวนาเลยเป็นไปไม่ได้การที่จะภาวนาจริงๆมันต้องมีความใส่ใจต้องใส่ใจที่จะเรียนรู้ตัวเองจริงๆซึ่งเป็นเรื่องยากวันหนึ่งวันหนึ่ง เราถูกโลกดึงดูดออกไปข้างนอกเนี่ยเยอะมากเลยเรื่องทรมาหากินเป็นเรื่องจําเป็นกับชีวิตเราเรื่องดูแลครอบครัวเป็นเรื่องจําเป็นกับชีวิตเราสิ่งใดจําเป็นก็ทำแต่ถ้าไม่มีเรื่องที่จําเป็นแล้วยาว เ, เวลาที่เหลือไปผลานด้วยการทิ้งไปเปล่าๆหรือด้วยการสะสมกิเลสเรื่อินเทอร์เน็ตนนะ มันไม่ได้ผลาญเวลาเปล่าๆนะมันผลาญสติผลาญสมาธิผลาญปัญญาของเราด้วยเพราะงั้นคุณงามความดีของเราจะหดหายไปเรื่อยๆอย่างเล่นเท่าที่จําเป็นถ้าเล่นใช้ทํามาหากินนะก็ทําไปอย่างนั้นหลวงพ่อไม่ว่าอะไรหรอกมันจําเป็นแต่เล่นเอาสนุกเอาเพลิดเพลินนะี่น่าเสียดายเวลา เล่นให้น้อยๆพักผ่อนบ้างได้ไม่ใช่ปะพักผ่อนไม่ได้เลยนักภาวนาจะต้องเคร่งเครียดอ น, นั้นก็ไม่ใช่นะสุดโต่งไปแต่พักผ่อนจนแม้มีเวลาภาวนาเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะคราวาดนาจุดอ่อนที่สําคัญที่สุดเลยนะอันแรกเลยก็คือไม่รู้วิธีปฏิบัติอย่างได้ฟังธรรมเนี่ยรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องลงมือปฏิบัติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม ไม่ใช่ทำหยอๆอแยะแยะนานนานทำทีหรือทำแบบสังกตายตรอมใจตั้งนาฬิกาไว้วันนี้จะนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงห้านาทีก็แอบดูทีหนึ่งห้านาทีก็แอบดูทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาอย่างนั้นเรียกว่าภาวนาผลานเวลาสาบแช่งให้เวลามันหมดเร็วๆไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมา ภาวนาแบบนั้นเป็นอตัตตากิลมฐานโยกทรมานตัวเองทรมานใจพวกเรามีไหมเดินจงกรมอยู่แล้วชมเลืองนาฬิกาเป็นระยะระยะว่าจะหมดได้ยังนะทําไมทําอย่างนั้ น, น, นเพราะเราไม่อยากเดินเพราะเราไม่อยากเดินแต่แล้วไม่เดินเลยเดี๋ยวเจอหน้าหลวงพ่อแล้วมองหน้าหลวงพ่อไม่ได้ก็อับอายหรือ พักพวกมาถามว่านั่งสมาธิเดินจงกรมเปล่าไม่ได้ทาเลยเดี๋ยวอับอายเลยทําแต่ทําแบบตอมใจถ้าภาวนาแบบตรอมใจยังไม่ใช่ของจริงนะใจยังนยังเป็นอัตตากริมัฐานุโยคอยู่ทรมานเดินจงกรมห้านาทีก็ทําอัตตากริมัฐานุโยคห้านาทีนานสมาธิครึ่งชั่วโมงก็เป็นอัตตากริมัฐานุโยคครึ่งชั่วโมง แต่ถ้าเราทําด้วยความมีสติด้วยใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเราทำห้านาทีก็คือปฏิบัติห้านาทีทําชั่วโมงหนึ่งก็คือปฏิบัติชั่วโมงหนึ่งเพราะมันอยู่ที่คุณภาพของการปฏิบตัติไม่ได้อยู่ที่เวลาที่ปฏิบตัตินี่ถ้าเราทําถูกมีคุณภาพในการปฏิบัติแล้วคราวนี้ต้องทําให้มาก ทำแบบหย่อย ๆ, ใ ห, ๆใหญ่หญๆทำนิดนิดหน่อยหน่อยวันหนึ่งนิดนิดหน่อยหน่อยพอย่างหัดใหม่ๆเมื่อหลายปีก่อนนะหลวงพ่อบอกพวกเราว่าหลวงพ่อขอสักวันละสิบห้านาทีขอน้อยมากเลยสิบห้านาทีทำไมหลวงพ่อไม่บอกพวกเราหลวงพ่อขอเวลาเริ่มต้นหนึ่งชั่วโมงวเราจะไม่ทำหลวงพ่อให้ทำสิบห้านาทีนะมันยังพอทนไหว แต่ถ้าเราทำจริงๆนะนานๆไปสิบห้านาทีนานๆไปเนะี่ยเราจะเ พ, พาะสิบห้านาทีสั้นนิดเดียวแล้วมันจะเพิ่มเวลาได้ด้วยตัวเองทุกวันนี้บางคนทำในรูปแบบมา1หนึ่งสามชั่วโมงไม่ได้รู้สึกยากลำบากอีกต่อไปแล้วเราสะสมมาจากของเล็กๆนี่แหละความดีเราสะสมไปเรื่อยๆมันก็เป็นความดีที่ใหญ่ขึ้น ความชั่วเราสะสมนะทีแรกก็ชั่วน้อยๆสะสมไปเรื่อยๆมันก็ใหญ่ขึ้นเหมือนกันกฎของกรรมมันก็ธรรมดายุติธรรมที่สุดแล้วลนะ่ะทํายังไงก็ได้ผลอย่างนั้นแหละเพราะะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยขั้นแรกเลยเรียนให้รู้เรื่องฟังให้รู้เรื่องจับหลักให้แม่นก่อนพอได้หลักแล้วอย่าคิดมากนะหัดภาวนาไปทําอะไรไม่ถูกทําสมถะไว้ก่อน รูบอาจารย์ท่านสอนอย่างนั้นเพรนั้นทำอะไรไม่ได้ก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปสิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ทําไปเถอะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ทำํำพอเราทําไปเรื่อยๆนะใจเราค่อยๆมีพลังขึ้นมาสงบขึ้นมาถือจุดหนึ่งใจมันจะเป็นสภาวะที่อยู่กับเนื้อกับตัวขึ้นมาสมาธิที่ดีมันเริ่มเกิดแล้ว นี่ต่อไปเราก็ค่อไปฝึกตัวเองไปหายใจไปเล่นๆมันก็เริ่มสงบแล้วตาอมาพอมันสงบแล้วสักพักหนึ่งมันหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันว่าตอนนี้ใจมันหนีไปแล้วเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นงนั้นทีแรกทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะหายใจเข้าพูดหายใจออกทูอะไรก็ได้เอาที่เราถนัด จะยุบหนอพองหนอหนามาพาทะสัมมาระหังจะขยับมืออย่างลงพ่อเทียนอ ะ, อะไรก็ได้ไม่มีข้อจํากัดหรอกเรื่องของสมถนะจะทาไปบ่อยๆพะจิตใจมันมีพลังแล้วเนี่ยจิตใจไม่จะอยู่กันเนื้อกัตัวแต่ตรงนี้ต้องระวังนะมันมีมิจฉาสมาธิอยู่มิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่มีสติ จะเป็นวิชาสมาธิทั้งหมดเลยถ้ามันไม่มีสติเพราะงั้นเราอย่าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวจะบริกรรมหน้ามาพาาัทธะก็ทำด้วยความรู้สึกตัวไม่จะทำแล้วเมาเพลินจะขยับมือก็รู้สึกตัวไม่ใช่ขยับแล้วก็ใจหนีไปที่อื่นยังไม่รู้เลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้เป็นเป็นวิชาสมาธิงั้นทากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ แล้วก็มีสติอยู่กับกรรมฐานนั้นพอจิตมันหนีไปจากกรรมฐานนั้นคอยรู้ทันไว้เนี่ยฝึกไปนานๆฝึกไปนะแลมเดือนบางคนเป็นปีบางคนไม่กี่วันหรอกแล้วแต่ต้นทุนที่เคยสะสมมาอันนี้ยุติธรรมนะเราอย่าไปเห็นว่าคนอื่นเขาฟอนาดได้เร็วก่อนที่เขาจะเร็วเขาช้ามาแล้วเขาสะสมของเขามาแล้ว ของเราถ้าทุกวันนี้ทําแล้วรู้สึกมันยังไม่ค่อยพัฒนานะเรายัางทําให้พอสะสมไปชาตินี้บุญบารมีพอได้มรรคผลได้โสดาได้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาธรรมดาจะทําได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าพอดีกับมนุษย์ไม่ได้ยากเกินไปแต่ถ้าทํามาหลายปีแล้วมันก็ยังไม่เป็นะทําแล้วก็ซึมซึมสงบสงบอยู่ทําผิด ทำผิดให้รู้หลักล้าทำยังไงถูกทำยังไงผิดถ้านั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มเคลิมลืมเนื้อลื ม, ลมตัวแล้วไม่มีสตินะผิดแน่นอนนั่งสมาธิแล้วก็ใจหนีไปที่อื่นไม่มีสติผิดแน่นอนยังั้นมีสติอยู่กับการหายใจมีสติอยู่กับพุโทโธมีสติอยู่กับคำบริกรรมของเรานะมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอะไรเงี้ยมีสติระลึกรู้อารมณ์เดียว อารมณ์กรรมฐานอันเดียวอย่างต่อเนื่องรู้ไปเรื่อยๆแล้วแจมันจะเริ่มมีพลังขึ้นจะเริ่มมีพลังพอใจมันมีพลังมันจะมีอาการนะมันเหมือนใจเราเนี่ยมันจะเด่นดวงขึ้นมามนลอยตัวขึ้นมามันเด่นดวงสว่างสวัยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาโดยไม่ได้เจตนาเรารู้เนื้อรู้ตัวขึ้นโดยไม่เจตนาเนี่ยแต่ก่อนจะถึงตรงนี้เจตนาปฏิบัติก่อนนะ แล้วก็มีสติอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราไปเรื่อยๆสติเราดีสมาธิมันจะเกิดนี่สมาธิที่เกิดจากการมีสติอยู่กั บ, กบอารมณ์กรรมฐานนั้นเดียวเนี่จะเป็นสมาธิชนิดสงบจะเป็นอารามณูปนิชฌานจิตมันจะส่งพลังขึ้นมาพอจิตมันส่งพลังขึ้นมามันจะคล้ายๆมันจะยกตัวขึ้นมาในส่วนมันก็กลายเป็นคนดูะกลายเป็นคนดู หรือว่าต่อไปเวลาเราทํากรรมฐานหายใจเข้าฟพดให้ใจออกโทอะไรอย่างเงี้ยพอจิตมันมีพลังขึ้นนะสติมันจะรู้ทันพอจิตมันมีพลังขึ้นแล้วสติมันจะดีขึ้นด้วยจิตมันแอบไปคิดเรื่องอืน่นปุ๊บลืมใหายใจเข้าพุดลืมหายใจออกโทเนะี่ยสติจะรู้ได้อย่างรวดเร็วแล้วตรงที่สติรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปนะั่นแหะจิตชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้น ในความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะการรู้จิตที่เคลื่อนนะที่จะทําให้เกิดตัวจิตผู้รู้ขึ้นถ้าเมื่อไรเรารู้สภาวะธรรมถูกต้องตรงตามความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่บางคนบอกว่ารู้สภาวะรู้สภาวะแต่ไม่ได้รู้จริงนะอย่างเห็นท้องพองเห็นท้องยุบบอกรู้สภาวะนะ ล้วก็บริกรรมไปด้วยพองน้อยุบน้ออะไรเงี้ยอันนั้นยังไม่ได้เห็นสภาวะอันนั้นคิดเรื่องสภาวะถ้าเห็นสภาวะจริงๆเนี่ยจิตต้องตั้งมั่นจิตต้องมีพลังก่อนนะมีความสงบอยู่ในตัวแล้วมีอะไรแปลกปลอมเข้าในกายเนี่ยสติระลึกรู้เนี่ยสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายมันจะเป็นสภาวะสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตมันจะเป็นสภาวะเราจะคอยรู้ตรงนี้ สันทีที่เรารู้สภาวะเช่นความโกรธผุดขึ้นมาในใจโดยที่เราไม่ได้เจตนาจะโกรธแล้ไม่ได้เจตนาจะรู้ว่าโกรธความโกรธมันผุดขึ้นมาหรือความโลภมันเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะให้ความโลภผุดขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะรู้ว่าความโลภผุดขึ้นมาไม่มีเจตนา แต่พอจิตเรามีพลังนะพอความโลภความโกรธผุดขึ้นมาเนี่ยสติจะระรึกได้เองตรงสติะระลึกรู้สภาวะได้เนี่ยตัวรู้จะเกิดขึ้นสมาธิชนิดตั้งมั่นจิต ท, ที่มีสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นโดยอันตโนมัติเพ น, น, น้เบื้องต้นนะพวกเราไปหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเอาที่เราถนัดแต่อย่าเปลี่ยนบ่อย ตอนเช้าหายใจกลางวันทำอีกอย่างกลางคืนทำอีกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ได้ดีหรอกทำไม่ได้ดีหรอกจิตใจมันถ้าเป็นนิสัยทางโลกเขาเรียกจับจดจะทำอันนี้เดี๋ยวก็ทำประเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็ทำอันนี้เดี๋ยวก็เลิกอะไรเงี้ยมันเหมือนเด็กยุคนี้นะจบมาหายไลายมาเดี๋ยวก็ไปสมัครงานที่นี่นะเรียกเงินเดือนสูงๆนะ เขารับเขามาทำทำไม่กี่วันถูกดุว่าทำงานไม่เป็นลาออกไปย้ายบริษัทย้ายไปเรื่อยๆนะปีหนึ่งเนี่ยย้ายทั้งสิบครั้งยี่สิบครั้งพวกเนี้ยไม่มีวันเก่งเพราะว่ามันจับหลักในการทำงานไม่เป็นนะถ้าอดทนนะไปสมัครงานลองทำงานดนะูให้มันเข้าใจอะในงานที่ตัวเองทำเข้าใจแล้วรู้สึกไม่ชอบอะไรงก็เปลี่ยน แต่ไม่ใช่เข้าไปวันสองวันก็เปลี่ยนเข้าไปวันสองวันก็เปลี่ยนแล้วบอกว่าตกงานอันนั้นไม่ใช่คนตกงานเราต้องแยกให้ออกระหว่างคนตกงานกับคนไม่ทํางานนะคนตกงานคืออยากทํางานแต่ไม่ได้ทํางานคนไม่ทํางานคือมีงานครูก็ไม่ทําเมืองไทยเนี้ยเต็มไปหมดเลยนะที่ว่าตกงานเยอะๆมันไม่ยอมทํางานถ้าคนไทยทํางานนะคงไม่ต้องไปจ้างต่างด้าวมาทำหรอก นี่ต้องขนต่างด้าวมาทำเป็นแสนเป็นล้านเพราะคนไทยไม่ยอมทำงานนี่เราชอบพูดบอกว่าไม่มีงานทำจริงไม่ได้อยากทำอยากได้เงินเดือนเยอะๆเฉยๆนี่อย่างเงี้ยจับจดจับจนไม่มีวันเก่งนี่ถ้าหลวงพ่อเป็นเจ้าของบริษัทนะแล้วคนมาสัมภาษณ์งานหลวงพ่อ ไหนเขาดูประสบการณ์ซินี่มีเยอะเลยนะหนึ่งปีนี่ทงานมายี่สิบแผงประสบการณ์สูงคืนไปเลยมึงไม่มีประสบการณ์หรอกมึงมีแต่ความสับสนนะแต่ความโลเลกรรมฐานนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนกรรมฐานตลอดเวลาเนี่นก็เหมือนคนสับส น, นคนมักง่ายคนโลเลคล้คยๆคนเปลี่ยนงานบ่อยจับหลักไม่ได้สักที นั้นกรรมฐานเราไม่เปลี่ยนบ่อยนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างะดีก็ช่างร้ายก็ช่างจะทะําล่ะอย่างหลวงพ่อเวลาทําสมาธิมาแต่เด็กนะหลวงพ่อฝึกอนาปนสาาติท่านพ่ารีท่านสอนมาตอนเด็กๆเราไม่รู้หรอกกรรมฐานอื่นเป็นยังไงท่านพ่ารีสอนอนาปานสาาติมาก็มาทำํำหายใจเข้าพุทหายใจออกโท นับหนึ่งด้วยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองอเงี้ยท่านสอนให้นับถึงสิบแล้วก็เก้าแปดเจ็ดอะไรเงี้ยหลวงพ่อทำให้เป็นหลวงพ่อนับถึงสิบแล้วก็ต่อสิบเสิบสองไปถึงร้อยแล้วก็เริ่มหนึ่งใหม่ทำไปโดยไม่ได้ใส่ใจนะว่าทำแล้วจะได้อะไรครูบาอาจารย์บอกให้อยู่กับกรรมฐานอยู่กับลมหายใจนี่แหละก็อยู่กับพูทธโทนี่แหละนะก็เชื่อท่านนะรักท่าน ดูท่านน่ารักท่านสงบท่านสบายท่านใจดีเราก็อยากดีอย่างท่านบ้างท่านสอนหายใจสอนอนาปนสติสอนพุโทโธมาเราก็มาทาสงบก็าช่างไม่สงบเพราะยังไม่ได้คิดว่าทำแล้วจะได้อะไรตอนทำทีแรกไม่ได้เคยคิดเลยนะว่าทำแล้วจะได้อะไรคิดแค่ว่าจะทำเท่า น, นั้นเองเพราะหลวงพ่อหายใจอยู่ไม่กี่วันนะ พุทโธก็หายไปทีแรกการนับหายไปก่อนพอจิตสงบมากขึ้นการนับก็หายไปจิตสงบมากขึ้นพุทโธหายไปเหลือแต่หายใจจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงสว่างไม่ใช้แสงสว่างเป็นนิมิตแทนลมหายใจล้เนี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะใจมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยฝึกมันง่ายๆอย่างนี้เอง แต่ว่าทำไปโดยที่ไม่ได้หวังผลไม่ได้หวังว่าหายใจแล้วต้องดีต้องสุขต้องสงบอันนั้นตื้นไปทำด้วยความโลภลองปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าสิไม่โลภเราจะนั่งหายใจชั่วโมงหนึ่งถือเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าดีกว่าเอาดอกไม้มาบูชาอีกบูชาด้วยลมหายใจของตัวเองนะหายใจไปนะนึกถึงพระพุทธเจ้าไปพุทโธพุทโธไป ถือว่าเรากำลังบูชาพระอยู่ไม่ได้หวังว่าจะเอาอะไรพอเราไม่หวังเนี่ยไม่นานเลยจิตจะสงบจิตจะมีสมาธิมีพลังขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นมีพลังขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีก้าวไปถึงจิตตั้งมั่นเลยไม่ใช่แค่จิตสงบหลวงพ่อเนี่ยฝึกฝึกนะรมอนาปนสติจนสุดท้ายได้จิตที่ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาอยู่ในโลกธรรมดา น, นี้แหละจิตมันตั้งมั่นแต่ตอนเด็กๆยังดูไม่เป็นแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาก็เหมือนเราทุกคนแหละโตขึ้นมาพานาขึ้นมาแล้วถึงรู้ว่าในโลกนี้หาคนที่รู้สึกตัวได้เนี่ยหายากเต็มทีหายากเต็มทีาา ต, มทตอนที่หลวงพ่อเข้าเรียนกับหลวงปู่ดลเรียนอยู่เจ็ดเดือนหลวงปู่รับรองวว่าช่วยตัวเองได้แล้ว พอท่านรับรองว่าช่วยตัวเองได้แล้วไม่หลงทางละหลวงพ่อออกไปดูสำนักครูบาอาจารย์ต่างๆออกไปหลายสายนะไม่ใช่เพราะสายวัดป่าออกไปดูเขาพานากันก็ดูบางที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดีลูกศิษย์ที่ท่านสอนไว้ก็ดีมีบางวัดบางแห่งบางที่ครูบาอาจารย์ดีลูกศิษย์ ท, ทาไม่เป็นนี่ก็เยอะบางที่ อาจารย์ก็ไม่เป็นลูกศิษย์ก็ไม่เป็นเดี๋ยนี้ก็มีนะเที่ยวตะเวนไปดูเรื่อยๆไปบางครั้งนะไปอยู่ตามวัดครูบาอาจารย์ท่านดีเลิศเลยหลวงพ่อก็ไปภาวนาตกกลางคืนเห็นเขาไปนั่งสมาธิในโบสถ์มาเดินจงกรมอยู่รอบๆโบสถ์อยู่กันหลายร้อยอยู่กันเยอะแยะไปหมดเลย ตั้งอกตั้งใจภาวนากันมากเลยหลวงพ่อไปเดินดูชะโงกไปดวในโบสถ์ไม่เห็นมีใครภาวนาเลยมีคนอยู่สองสามจำพวกยังพวกที่หนึ่งนั่งหลับไปแล้วะหายใจสองสาทีก็หลับไปแล้วไม่ได้มีสติยังพวกหนึ่งเคร่งเครียดนั่งแล้วเพ่งเครียดไปหมดเลยพวกนี้อัตตากรรมณฐานยุโยกพวกหนึ่งนั่งแล้วก็ใจลอยเปนะกามสุขลิการุโยก ออกมานอกเอนอกโบสถ์มาดูรอบๆเดินจงกรมกันนั่งสมาธิตามต้นไม้ตามไหนในใจก็นึกนะเออที่นี่ไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยนึกในใจนะที่นี่ไม่เห็นมีใครก็าปฏิบัติเลยลก็แยกตัวไปปฏิบัติของเราคนเดียวเช้าขึ้นมานะตามคุณป้าท่านหนึ่งเข้าไปหาหลวงปู่ครูบาอาจารย์เข้าไปกราบท่าน ท่านเห็นหน้านะท่านยิ้มยิ้มแล้วท่านก็พูดของท่านเองอะ่ะวัด น, นี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะหลวงพ่อนะอายซะหน้าชาเลยสติปัญญามันเกิดตอนที่เราไปเที่ยวดูเขาก็าเขาไม่ปฏิบัติขณะนั้นเราก็ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเราก็ไปนึกโอที่นี่นมาเห็นมีใครเขาปฏิบัติเลยก็รวมทั้งเราด้วยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านสอนนะ สอนเราฟังแล้วเราสะเตือนเข้าถึงใจเลยเรามดจะไปเพ่งโทษของคนอื่นเราไม่เห็นโทษของตัวเองเราก็วห่วยแต่ยิ่งกว่าเขาอีกเขาไม่รู้หลักเรารู้หลักเรายัางแทนที่จะปฏิบัติของเรานล้วก็ไปสนใจคนอื่นเขาเนี่ยพยายามฝึกตัวเองนะค่อยๆฝึกไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งล้วก็ทำไปให้มันสม่ำเสมอสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างดีก็ช่างร้ายก็ช่าง ถือว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าเช่นหายใจเข้าหายใจออกถือว่าบูชาพระพุทธเจ้าอาันนี้ส่งมากนะบูชาอย่างนี้ยิ่งกว่าบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนอีกเหมือนอย่างเทวทัตรู้จักไหมรู้จักอาจจะไม่รู้จักเคยได้ยินชื่อไหมเทวทัตเนะทวทัตทำความผิดมาตลอดชีวิตเลยทาอนันตรกรรมสองครั้งนะ่ะ ครั้งหนึ่งทำโพดทหเจ้าห่อเลือดอีกครั้งหนึ่งนะทําสงแตกแยกนั่นทำอนนันตริยกรรมไปทั้งสองรอบตอนที่ใกลยย้จะตายที่แผ่นดินดูดลงไปนะเหลือแต่หัวโผล่ขึ้นมาหน่อยกําลังจะจมนะ้คิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าขึ้นมานะเอาลูกข่างนี้วางบนพื้นดินขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดุกลูกข่างนี้เพราะมือไหว้ไม่ได้แล้ว มือถูกดูดไปแล้วขยับหัวได้แค่เนี้ยขอบูชาพระเทเจ้าด้วยกระดูกลูกขรางเนี่ยเอาลูกข่างแตะแผ่นดินบูชามีอันนี้สงหญ่ขนาะนั้นตายไปกรรมชั่วที่ทำเนี่ยมันแรงให้ผลตกนรลกอเวจีพวกเรายุคนี้ก็ไหว้ชูโชคกันนะเขายังไม่ได้ขึ้นมาช่วยเราหรอกยังอยู่อีกนาน แต่อา น, นิสงฆ์ที่เขาสร้างความดีของเขามาเนิ่นนานบวกอา น, นิสงฆ์ครั้งสุดท้ายที่บูชาพระพุทธเจ้าด้วยกระดูกลูกคางนียพระพุทธเจ้าพยากรณ์ว่าต่อไปจะเป็นพระปัจเจกพระุทธเจ้าวงหนึ่งเนี่ยท่านให้คําพยากรณ์ถึงขนาด น, นี้เราก็ไม่ต้องเอาอย่างเทวทัตนะลงนอนแล้วก็เอาคางเกยพื้นนั่งขอบูชาด้วยกระดูกลูกคางนะอย่างนั้นมันเสียแซ่ เราก็บูชาด้วยการเดินจงกรมบูชาด้วยการหายใจอไนี้หายใจเข้าพุดหายใจออกโทนึกถึงพระเจ้าไปมันมีอา น, นี้สงในตัวเองทาไปเรื่อยจิตใจที่เคยฟุ้งซ่านก็สงบเข้ามาจิตใจที่สงบเข้ามาแล้วนะค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเวลามันลืมพุดโทสติก็ะระลึกได้เร็วตรงลืมพุดโทไปลืมหายใจไปคิดเรื่องอื่น สติจะระลึอกอย่างรวดเร็วเราสติเกิดรู้ทันสภาวะแห่งความหลงสำมาศสมาธิคือสมาธิชนิดจิตตั้งมั่นก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติสมาธิทีแรกที่เราฝึกนะเราฝึกทำกรรมาฐานมาจนกระทั่งมีความสงบมีความรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วเนะี่ยต่อไปพอเกิดอะไรขึ้นในกายมีสติรู้ทันเกิดอะไรขึ้นในจิตมีสติรู้ทันสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเอง ที่จริงถ้าฝึกสมถาก ร, รมฐานดีๆนะก็ได้สมาธิชนิดตั้งมัน่นได้เหมือนกันยิง่งถ้าเราทำอนาปนาสตินะจนทังกลายเป็นแสงสว่างเรารู้แสงสว่างนะจนกระทั่งชำนาญกำหนดเล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้นะจิตมีความสนุกสนานมีปีติมีความสุขขึ้นมามีความเป็นหนึ่งขึ้นมาเราเข้าปฐมฌาน ต่อมาสติปัญญามันรู้ทันว่าการที่ไปกำหนด ร, รู้อยู่ที่แสงสว่างเนเป็นการตรึกอยู่ที่แสงสว่างเป็นการเข้าเคลียคือการตรองอยู่ที่แสงสว่างเรียกว่ามีวิตกวิจารอยู่กับแสงสว่างพอ ร, รู้อย่างนี้จิตวางแสงสว่างทวนกระแสเข้ามาที่ตัวผู้รู้เพราะฉะั้นในฌานที่สองเนี่ยถ้าเราทำตามรูปแบบในฌานที่สองเนี่ยเราจะเกิดตัวผู้รู้ขึ้นมา ในพระไตรปิฎกเรียกว่าเอโกทิภาวะพวกที่เรียนแต่ปริยัติเนี่ยไม่เข้าใจก็ เ, เปิดอัตถกถาดูเอโกทิภาวะก็คือเอกคตาเจตสิกมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับเอกคตาเจตสิกตัวอื่นๆที่ทยแล้วเอโกทิภาวะเนี่ยสําหรับนักปฏิบัติเนี่ยนะมันก็คือสภาวะที่จิตเป็นหนึ่ง จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วพอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยถ้าเราออกจากฌานมาหรือเราเข้าฌานสูงขึ้นไปเอกภพทิาวะยังอยู่พอออกจากสมาธิมาแล้วเนี่ยเอกภพทิาวะยังส่งตัวอยู่ได้ไม่เกินเจ็ดวันไม่เหมือนอย่างเราหลงเรารู้หลงเรารู้นะเภาวะที่เป็นหนึ่งเนี่ยเกิดชั่วขณะเท่านั้นเองเพราะนัอย่างถ้าเราทำในรูปแบบเต็มที่มาเนี่ย ลราได้จิตผู้รู้ที่มีกําลังแก่กล้าอยู่ได้นานมีเวลาเจริญปัญญาได้นานแต่ถ้ามีสมาธิทีละขณะทีละขณนะนะสะสมกันนานนานนาน น, านี่เกิดปัญญาทีหนึ่งนานนา น, น, านจะเกิดปัญญาทีหนึ่งเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละเรียกว่าปัญญาค่อยๆฝึกค่อยๆสะสมทนะุกวันต้องปฏิบัติอย่าเาเวลาเหลวไหล ทำอะไรเล่นๆสิ้นเปลืองเวลาอยู่ไปจนแก่จนเท่านะหาสาระแก่นสารให้ตัวเองไม่ได้น่าโสงสารที่สุดเลยพยายามฝึกเข้านะเขา้าสมควรแก่เวลาส่งคันบ้านหมายเลขสามค่ะมั่นใจว่าจิตไม่เพ่งแล้ว <อง S 2> ถ้าประคองอถ้าประคองรู้ทันได้เรื่อยๆ ช่วงหกเดือนมีปัญหาเจ็บหัวเขา่าเดินจงกรมได้แบบก้าวไปข้างหน้า29ก้าวถอยหลัง29ก้าวพักหลังมีรู้ลมเพิ่มรู้สึกชอบเห็นขันทำงานได้ชัดอยากให้หลวงพ่อชี้แนะว่าผิดตรงไหนคะ่ะภาวนาดีแล้วล่ะแต่ตอนนี้ตื่นเต้นเลยเพ่งเอาไว้จิตมีกำลังมากขึ้นแล้วรู้ตัวไหมใช่ไหมเออใช่ จิตมีกำลังขึ้นแล้วเราก็ภานาของเราต่อไปเดินปัญญาดูลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราสังเกตไม่ได้ดูอย่างนั้นดูด้วยความรู้สึกไม่ได้เอาตาไปดูดูด้วยความรู้สึกพ ย, ยักหน้ารู้สึกไหมเห็นไหมตัวที่พ ย, ยักหน้าเนี้มันถูกรู้ถูกดูเห็นไหมตัวที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราดูอย่างนี้ ไม่ใช่บอกให้ดูกายแล้วจ้องลงเปงนี้อันนี้ไม่มีสมาธิแล้วจิตไหลลงไปละ้ะจิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่แล้วระละรึกรู้ลงในกายไม่ใช่ไปเพ่งกายนะแค่ระละรึกรู้ลงในกายหเห็นกายนี้ของถูกรู้ถูกดูกายนี้ไม่ใช่เราหรือจิตตั้งมั่นอยู่จิตแอบไปคิดมีความฟุ้งซ่านแี่แไปคิดมีสติรู้ทันว่าจิตหนีไปคิดจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่ ยี่นี้เป็นการเดินปัญญานะไม่ใช่บอกให้ดูจิตก็จ้องลงไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้บอกให้ดูกายก็จ้องอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะไปพัฒนาการเจริญปัญญาสมาธิดีขึ้นละต่อไปก็ฝึกเดินปัญญาให้ชำนิชำนานขึ้นหมายเลขสิบเกค่ะหนูใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานยังเพ่งอยู่เรื่อยๆค่ะ แล้วก็ฟุ้งไปด้วย<อ>บางบางทีส่วนใหญ่รู้สึกแน่นๆเป็นก้อนในลำค อ, อขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำค่ะแน่นนะ่ะเป็นผลผลจากอะไรผลจากการเพ่งการเพ่งเป็นผลจากอะไรเป็นผลจากความโลภอยากปฏิบัติพออยากปฏิบัติก็เพ่งพอเพ่งก็อึดอัดนะให้เรารู้ต้นทางนะมันอึดอัดเนี่ยอย่าไปคิดแก้มัน ให้รู้ทันว่าตอนนี้มันไปเพ่งอยู่พรู้ว่าเพ่งอยู่อยากหายเพ่งอีกแล้วรู้ว่าอยากพอใจไม่อยากนะใจเป็นกลางการที่แน่นๆจะค่อยๆลดลงไม่หายทันทีเพราะมันเป็นวิบากไปแล้วมันไม่ใช่ตัวกิเลสกิเลสเนี่ยถ้าเรามีสติรู้ปุ๊บนะดับทันทีแต่ตัววิบากเนี่ยต้องชดใช้ต้องใช้นี้งั้นถ้าเราเพ่งจนแน่นเนี่ยบางคนใช้นี่ตั้งเป็นเดือนเลยกว่าจะหาย หรือบางพระมีพระเล่าให้ฟังนั่งดูนะใจมันเครียดอยู่นะอยู่มันระเบิดขึ้นมามันเหมือนภูเขาไฟระเบิดนะความร้อนเนี้ยพุ่งออกมาโครมครมเลยอันนี้ยพอสะสะสมไปเยอะจะเป็นนั่งดูให้หายร้อนเนี้ยไม่ได้อ น, นี่เป็นตัววิบากอย่าทำคำใหม่แล้วกันงิ้นรู้ทันจิตใจตัวเองไปการเดินปัญญายังไม่ชนานาญยังไม่ชนานาญ สมาธิยังเพ่งบ้างเผลอบ้างอยู่ทําต่อแต่ทำอย่างมีหลักไม่ใช่ทาเพื่อสุขเพื่อสงบเพื่อดีทําไปเพื่อความรู้เนื้อรู้ตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวปัจจัยมัอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันจะเห็นในร่างกายก็ถูกรู้ใจเป็นคนรู้ะความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ใจเป็นคนรู้มันเห็นเองแหละแล้วต่อไปปัญญามันก็เกิด กายนี้ไม่ใช่เราจิตใจนี้ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่ใช่เราตัวนี้เป็นตัวปัญญาฉั้นเลิศเลยก็มาเริ่มต้นมันมาจากฝึกสมาธิอย่างนี้แหละแล้วค่อยๆต่อยอดไปสิตยังฟุ้งซ่านอยู่รู้สึกไหมฟุ้งเก่งนะเพราะงั้นถ้ามันฟุ้งมากก็พุโทโธทีๆไว้ถ้ามันฟุ้งน้อยก็พุโทโธห่างๆไว้ เช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยรู้เนะืรู้ตัวอยู่ได้แต่ถ้ามันฟุ้งจริงๆนะทิ้งทิ้งลมหายใจไปก่อนก็ได้มาท่องพุโทโธเร็วๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่ยไม่ให้มีช่องโหว่ที่จะหลงไปคิดะอันนี้ทําให้ใจเราเชื่องขึ้นแต่ทีแรกก็เหนื่อยหน่อยยออ่อเมาแล้วพอใจมันเริ่มสงบเราก็พุโทโธช้าๆเมื่อใจมันฟุ้งซ่านเราก็พุโทโธเร็วๆปรับ กรรมฐ า, านของเราขึ้นขึ้นลงลงตามสถานการณ์หมายเลข24ค่ะสมัยก่อนพบหลวงพ่อโยมปฏิบัติด้วยการทำอานาปานสติกำหนดพุทธโธไม่เคยดูจิตหลังจากฟังหลวงพ่อแล้วจึงหันมาดูจิตพบว่าจิตชอบไหลไปคิด มีโทสะได้เคยมีโอกาสนั่งสมาธิสองสาชั่วโมงพบว่าเมื่อเกิดกายเ ว, เวทนาความคิดฟุ้งซ่านน้อยลงแต่กลับเห็นความเจ็บแทนทำแบบนี้ใช่วิธีที่ควรทำหรือไม่คะอยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อถึงวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับโยมด้วยค่ะกราบขอบคุณหลวงพ่อที่ทำให้โยมได้เห็นวิธีปฏิบัติที่ไม่เคยรู้มาก่อนด้วยค่ะ ปฏิบัติถูกแล้วนะแต่เราไม่ทิ้งลมหายใจไม่ทิ้งพุโทโธนะหลวงพ่อเคยพลาดหลวงพ่อทำอนาปนสิติบุกัพุโทโธเนะี่ยตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบแล้วมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ของเล่ น, เ ล, น, เ, ล น, เ, ลนเล่นนู้นเล่นนี่เสียเวลามากเลยมาเจอหลวงปู่ ด, ดุลท่านสอนให้ดูจิตที่มันเกิดดับเปลี่ยนแปลงนะมันเดินปัญญารวดไปเลยกำลังของสมาธิยี่สิสองปีนะใช้เดินปัญญาได้ปีกว่า แล้วมันก็หมดพลังหมดพลังได้ประมาณสองปีเลยตอนหลังจับหลักได้ว่าอย่างไรเราก็อย่าไปทิ้งสมาธิทุกวันแบ่งเวลาไว้เลยให้ใจเข้าพูดหายใจออกโทรทำไปแต่ว่าพอจิตใจมันสงบมีเรื่องมีแรงแล้วเนี่ยอย่าอยู่เฉยแค่นั้นมันโง่ออกมาเดินปัญญาเดินปัญญาอะไรไม่เป็นดู ก, กายไปก่อนก็ได้ เห็นร่างกายมันหายใจไม่ใช่เราหายใจอย่างนี้ก็ยังใช้ได้ถือว่าเริ่มเดินปัญญาแล้วร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของถูกลูก้ถูกดูกขันมันแยกได้อย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้เป็นปัญญาขั้นต้นๆหรือเห็นกิเลสมันมากิเลสมันไปเห็นกิเลสเกิดแล้วกิเลสก็ดับนี่ก็เป็นปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นเกิดดับได้ เพราะสงบแล้วก็อย่าสงบเฉยๆรีบเดินปัญญาไปเดินปัญญาก็อย่าโลภใช้ความสังเกตไม่ใช่ใช้การคิดใช้การสังเกตเอาร่างกายนี้ของถูกรู้สังเกตออกไหมร่างกายเป็นของถูกรู้ลองพยักหน้าซิรู้สึกไหมร่างกายที่พยักหน้ามันถูกรู้เนื้อรู้ด้วยใจที่ปกติความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นก็เป็นของถูกรู้รู้ด้วยใจปกติ ใจปกติเลยสาคัญที่สดุดมันคือจิตผู้รู้นั่นเองใจปกตินนะเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆสมาธิเราก็จะดีปัญญาเราก็จะดีงงไหมงงเปล่าใช้วิธีพยพยักหน้าหรือใส่หน้าสิงงไหมไม่งงนะหลงไปคิดหรือเปล่าเออถอบถูกใช้ได้ ฝึกนะที่ที่ฝึกมาใช้ได้แต่พลังของสมาธิยังไม่พอะจิตมันยังกว้างๆออกข้างนอกไปม่นยังรู้แล้วกว้างๆสบายๆไปให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกัตัวจริงๆนแต่อย่าดึงมันนะแค่รู้ว่าตอนเนี้จิตมันกว้างไปแล้วทํากรรมฐานของเราไปายใจไปพุทโธไปโดยรู้เท่าบทันว่าจิตมันกว้างๆออกข้างนอกไปเดี๋ยวมันกลับเข้ามาเอง มันจะได้สมาธิที่ดีตอนนี้สมาธิยังไม่พอใจมันไม่ค่อยมีแรงาหายใจไปด้วยใจสบายๆหายา ใ, หใจไปพุโทโธไปอย่างสบายๆหลงไปคิดก็รู้ว่าหลงไปคิดจิตไหลไปเพ่งลมหายใจรู้ว่าจิตไหลไปเพ่งเนี่ย หายใจไปแล้วรู้ทันจิตนะแต่ว่าไม่ไม่ได้มุ่ที่สงบอ่ะมันสงบเองไม่ทำเอาสงสัยก็รู้ว่าสงสัยนะหมายเลขยี่สิบเก้าค่ะเป็นคนฟุ้งซ่านง่ายเวลาทำในรูปแบบคือนั่งภาวนาดูลมหายใจพุทโธจิตชอบเข้าไปแทรกแซงทำให้การดูลมหรือการภาวนาไม่เป็นปกติ ต้องกลับมาทำแค่ความรู้สึกตัวเท่านั้นขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนำวิหารธรรมที่ถูกกับจริตด้วยครับเอาตัวเราเป็นวิหารธรรมทั้งตัวเนี่ยนะเนี่ยตัวนี้พยักหน้ารู้ตัวนี้นั่งอยู่รู้ตัวนี้หายใจรู้รู้มันทั้งตัวนี่แหละรู้ไปเรื่อยเรื่อยจิตจะได้มีพลังมากกว่านี้ที่ฝึกอยู่ก็ใช้ได้นะฝึกอยู่ดีขึ้นตั้งเยอะแล้วล่ะ แล้วก็เนี่ยรู้รู้สึกกายทั้งกายกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายเหลียวซ้ายกายแลกขวากายหายใจออกกายหายใจเข้ากายกินอาหารกายขับถ่ายเนี่ยค่อยฝึกรู้อยู่ในกายไปรู้อย่างสบายสบายไปจิตจะมีพลังขึ้นเองมีครูบาอาจารย์องคหนึ่งคือหลวงพ่อพุธท่านชอบสอนออกยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดท่านชอบสอนอย่อย่างนี้ สอนให้มีสติจริงๆอะไรเป็นคนยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดร่างกายอะไรเป็นคนคิดใจเป็นคนคิดเมมีสติรู้เท่าทันไปเรื่อยๆสบายๆใจก็จะค่อยมีสมาธิสงบแล้วก็ฉลาดค่อยๆสะสมของมันไปหมายเลขสามสิบค่ะ ปกติภาวนาในรูปแบบทุกวันวันละ30นาทีช่วงเข้าพรรษาเพิ่มการภาวนาในรูปแบบเป็นวันละหนึ่งชั่วโมงรักษาศีลห้าใช้โซเชียลเท่าที่จำเป็นฟังซีดีหลวงพ่อทุกวันพบว่าจิตมีกำลังมากขึ้นแต่สมาธิยังไม่ตั้งมั่นและในการทำรูปแบบจะนั่งหลับตาไม่ได้จะฝุ้งหลับตกผวังจึงเดินและบริกรรมแทน ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติเพื่อให้สมาธิตั้งมั่นภาวนาได้ถูกทางต่อไปและขอถวายการปฏิบัติเป็นอาจารย์บูชาแก่หลวงพ่อค่ะอนุทะ น, นะภาวนาให้มันสม่ำเสมอไม่คาดหวังผลแล้วมันจะได้ผลเร็วถ้าภาวนาแล้วหวังผลว่าทำไมไม่สงบสักทีทไมไม่สงบสักทีนะไม่สงบหรอก เัรน้นภาวนาไม่ได้หวังผลอะไรถ้าคาดหวังอย่าง น, น้นคาดหวังอย่างนี้เป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสเราก็ค่อยรู้ทันกิเลสที่เกิดในใจของเราไปสังเกตไหมเวลาเราภาวนาถ้าใจไม่ฟุ้งไปใจก็เพ่งเอาไว้อันนี้ดูออกไหมอย่างเราเพ่งเพ่ง อยากให้มันสงบไม่เพ่งอย่าไปอยากสงบเพราะช่างไม่สงบเพราะช่างถือว่าปฏิบัติเป็นพุทธบูชานะถวายพระพุทธเจ้าส่วนผลที่จะได้มันได้ของมันเองถ้าทำด้วยความอยากทำไม่ได้จริงนะเหน็ดเหนื่อยใจมันยังไม่ได้หลักนะนยังไม่ได้หลักที่แท้จริงฝึกไปก่อน ทุกวันทำให้สม่ำเสมอรู้ทันใจของเราไปใจเราแต่ละวันแต่เวลาเวลาไม่เคยเหมือนกันเน่ยคอยรู้ค่อยดูไปค่อยๆสะสมความรู้ความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติในรูปแบบแนละ้วทให้สม่าเสมอไปค่อยๆสังเกตจิตใจเราแต่ละวันไม่เคยเหมือนกันในวันเดียวกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกัน จิตใจของเราแต่ละขณะในขณะที่เห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนขณะที่ได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนขณะที่จะมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตใจของเราก็เปลี่ยนขณะที่หลงไปคิดจิตใจของเราก็เปลี่ยนคิดเรื่องนี้สุขคิดเรื่องนี้ทุกคิดเรื่องนี้โลภคิดเรื่องนี้โกรธคิดเรื่องนี้หลงอะไรเงี้ยเนี่ยทำกรรมฐานของเราไปแล้วถ้าใจเราเป็นยังไงนะคอยรู้เอาะไปฝึกนะ หมายเลขสหมสเลข34ค่ะขอให้หลวงพ่อช่วยตรวจสอบการทำสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานที่ทำอยู่เพื่อต่อ ย, ยอดการปฏิบัติต่อไปเวลาภาวนาจะรู้สึกว่ามีจิตอีกดวงหนึ่งอยู่ในร่างกายเราเขาจะสามารถแสดงความรู้สึกหรือท่าทางออกมาเวลาเราทำสมาธิ อยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำวิธีปฏิบตัติเมื่อรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของเขาจเจริญเมตตาแล้วไม่เป็นผลค่ะอย่าไปยุ่งกับมันมันมีก็มีไปมันจะแสดงอะไรก็ช่างเราแค่รู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางนี่เรางงไหมนี่มันตัวอะไรวะแ้ดิ้นไปดิ้นมาเมื่อไหร่มันจะสงบเมื่อไหร่เราจะได้ดีอไเงี้ยไม่ได้ทาอย่างนั้น มันอยากดิ้นมันอยากจะมีสักกี่ตัวบางคนมีตั้งห้าตัวเนะ่ยนะของเรามีอีกตัวหนึ่งเขไม่เห็นแปลกอะไรนะที่สำคัญคือที่จิตเราต่างหากพอมีไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเราเกิดสงสัยว่ามันอะไรนะรู้ว่าสงสัยรู้ทันจิตตนเองไอ้นันไม่ใช่จิตเราเป็นตัวอะไรที่ปรุงแต่งขึ้นมาดนะนั้นอย่าไปโตกตกใจยังไงเราก็ไม่ทิ้ง จิตของเราเลยรู้เท่าทันจิตของตัวเองไปเรื่อยการปฏิบัติมันกจะจ ก, ก้าวหน้าในส่วนของสมาธิใช้ได้แล้วละ่ะเสียอย่างเดียวบางครั้งโมงหายัางแทรกมันยังมัวมั ว, มวอยู่ถ้ามันมัวเรามีสติรู้ทันว่ามัวมีสติรู้ทันว่าใจไม่ชอบมีสติรู้ทันว่าอยากหายมัวเนรู้ทันมันเข้าไปอย่างนี้ใช้สติเป็นเครื่องมือ กามาช่วยขัดเกลวสมาธิของเราให้ดีสติเป็นเครื่องขัดเกลวสมาธิสมาธิก็ช่วยขัดเกลวสติเหมือนกันช่วยซึ่งกันและกันในีสุดก็หนุนเสริมกันขึ้นไปเกิดปัญญาปัญญาคือความรู้ถูกความเข้าใจถูกสมาธิของเราอย่างมันยังเจือโมหะอยู่ยังมัวเป็นไหมมยังมัวอยู่ก็รู้ เห็นไหมตรงที่รู้ว่ามัวแล้วมันหายเนยอยู่ที่แค่รู้ถันแล้วนะรู้ด้วยความเป็นกลางจิตมัวจิตมัวทำไงก็ไม่หายนะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ใช่เราหรออยากมัวก็มัวไปเถอะใจเราเป็นกลางไอ้ตัวนั้นเป็นของถูกดูแล้วตัวมัวจิตของเราเนี่ยไม่มัวจิตเป็นคนดูสว่างสบายขึ้นมานลที่มัวนั้นขาดไปเลยหายไปค่อยๆฝึกใช้ได้ สมาธิอย่างนี้ถึงใช้ได้นะสมาธิที่ทำทีแรกนั้นไม่ใช่โมหะแทกปัญญาพ็พอเดินดูได้หรอกแต่ใจมยังฟุง้งปัญญาก็ไม่แหลมคมต่อไปหมายเลขห้าสิบสามค่ะผู้ช่วยสอนชี้ให้เห็นจิตที่เกิดดับทางอายตนะหกสามารถเห็นตามได้ และสามารถเห็นความสัมพันธ์ต่อมาที่เวทนาทางใจและบางครั้งเห็นต่อมาที่ปัญหารู้สึกว่าธรรมะมีเหตุผลทำให้กลับมามีฉันทะขอคำแนะนำเพิ่มเติมครับเอานุโมทนานะมีภาวนาทำถูกแล้วล่ะดีไปเรียนกับใครมาใครนะ เออดีใช้ได้เออพูดถึงผู้ช่วยสอนหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่ออนุญาตให้ผู้ช่วยสอนสอนในวัดได้แล้ะถ้าผู้ช่วยสอนคนไหนจะสอนในนี้ก็ให้คนในนี้เรียนถ้าอยากสอนข้างนอกก็ให้คนข้างนอกเขาเรียนได้หรือใครก็เรียนได้แตาไมเวลาผู้ช่วยสอนสอนในนี้ไม่เปิดให้คนเข้ามาเดี๋ยวมันมันไม่ ไม่ไม่ไมเวลยะยะเป็นวุนว่นวายเดี๋ยวก็ใครอยากเรียนก็เอาเข้าวี่ไปแต่อย่าไปนั่งเบียดกันนะค่อยๆทยอยเข้าไปเรียนผู้ช่วยสอนช่วยอะไรเราได้เนี่ยถ้าถ้าเราเรียนแล้วเราไม่ได้ไปทำก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ก็เข้าไปเรียนเนี่ยต้องตั้งใจเรียน เรียนแล้วไม่ทำเนี่ยตัดหางปล่อยวัดอื่นวันนี้ไม่รับวันนี้ไม่รับพวกแข่งสวยแล้วพวกขยันแข่งก็ดียินดีต้อนรับคนต่อไปนี่คนสุดท้ายค่ะหมายเลขหกสิบสองค่ะยังไม่เห็นจิตเกิดดับเป็นดวงดวง อย่างมากเห็นจิตยืดจากศูนย์กลางไปยังตรงที่มีการกระทบผัสสะควรจะภาวนาต่อไปอย่างไรครับรู้ทันไปมีสติไปเรื่อยๆนะจิตเราไปทำอะไรก็รู้ทำอะไรก็รู้แล้วทุกวันแบ่งเวลาทำสมาธิด้วยเนี่ยเพิ่งมีพระในวัดเนี่ยหลวงพ่อจำไม่ได้ว่าองค์ไหนท้าเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วมันดับ แล้วมันก็ว่างๆไปนิดหนึ่งแล้วเกิดจิตอีกดวงหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วก็เกิดว่างๆขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าสันตติขาดสันตติขาดเนี่ยขึ้นไม่ปัศนาที่แท้จริงละเริ่มเห็นแล้วว่ากระทั่งตัวจิตก็เกิดดับของคุณยังไม่เห็นจิตที่เกิดดับเห็นจิตมีดวงเดียวจิตดวงนี้วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาอะไรย่างเงี้ย นี่ถ้าเราเห็นจิตวิ่งไปแล้วก็เกิดโลภขึ้นมาเรารู้ว่าโลภความโลภดับเราไม่ต้องไปดึงจิตดวงนั้นคือนะตรงที่ความโลภมันดับความจริงจิตมันเริ่มดับตั้งแต่เรารู้ว่าตัวในโลภแล้วอย่จิตมันไหลไปแล้วมันมันอยากมันชอบในรูปอันเนี้ยเกิดจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าจิตไปชอบจิตไหลไปจิตไปชอบรูปจิตที่ไปชอบรูปจิต จิต ท, ที่ไปชอบรูปตอนนั้นเป็นอดีตไปแล้วจิตตัวปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วไม่คนละตัวกันะค่อยๆฝึกแล้วเราจะเห็นว่ามันคนละดวงกันดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเพราะนั้นตัวตนที่แท้จริงไม่มีหรอกแต่ตอนแรกเราเห็นจิตเหมือนแมงมุมวิ่งออกไปทางนี้แล้วก็วิ่งกลับเข้ามาตรงกลางเดี๋ยวก็วิ่งไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาตรงกลาง เราเห็นว่าจิตยังมีดวงเดียวแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปตามรู้ตามดูมีสติมีสมาธิไปเรื่อยๆแต่ไปมันก็เริ่มขาดสันตติ ค, ความต่อเนื่องขาดเห็นจิตที่ดูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่ฟังก็ดวงหนึ่งจิตที่ลิ้มรสก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้สัมผัสก็ดวงหนึ่งจิตที่หลงคิดก็ดวงหนึ่งจิตที่รู้ก็ดวงหนึ่ง นะคนละดวงกันจิตที่เพ่งก็เป็นอีกดวงหนึ่งกลายเป็นจิตนี้มีเยอะแยะเลยนะแล้วทุกดวงมีลักษณะร่วมคือเกิดดับคำว่าลักษณะร่วมคือสามัญยลักษณะสามัญยลักษณะถ้าจะแปลภาษาไทยคือนะลักษณะร่วมลักษณะร่วมของสิ่งที่ปรุงแต่งกนะ็คือเป็นของไม่เที่ยงเหมือนๆกันนะเป็นของถูกบีบคั้นเหมือนๆกันเป็นของบังคับไม่ได้เหมือนๆกัน ตัวนั้นเป็นตัวปัญญาแท้จริงเห็นลักษณะร่วมตอนนี้ก็เห็นทีละตัวไปก่อนแต่ว่าถ้ามันยังไม่แยกมันยังเห็นวิ่งไปวิ่งมาก็าไม่ต้องตกใจไม่ต้องพยายามแยกมันนะพอสติสมาธิดีขึ้นมันแยกเป็นตัวตัวได้เองเนี่ยพวกพระภาวนาตั้งนานถึงจะเห็นแยกเป็นตัวตัวได้ของเราค่อยๆทาเดี๋ยวก็ดีละเมดแล้วเร้อหมดล เชิญเชิญกับบ้านเว้นแต่ว่าใครอยากฟังผู้ช่วยสอ น, นก็ค่อยว่ากันไม่ใช่ทุกคนต้องฟังนะที่จริงเรียนกับหลวงพ่อแล้วไม่ต้องเรียนกับใครก็ได้เหลืออย่างเดียวคือเรียนที่ตัวเองยกเว้นว่ามันมีข้อข้องใจต้องการให้ผู้ช่วยสอนช่วยแซะเราในรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แจ๊กก็จำเป็นถ้าเราอินซีเราอย่างอ่อน ผูช่วยสอนก็มีประโยชน์แต่ถ้าจะมานั่งฟังเลคเชอร์มันก็เหมือนที่หลวงพ่อเทศแล้วเลคเชอร์ไม่ต้องฟังหรอกเอาถ้าคุยกับผู้ช่วยสอนนะเอาสภาวะที่เราปฏิบัติแล้วเอาไปเล่าให้ผู้ช่วยสอนฟังแล้วว่าจะพัฒนายังไงนะอย่างนั้นจะมีประโยชน์กว่าอย่าให้ผู้ช่วยสอนนั่งเทศไม่เผลอเป็นอย่างนี้ไม่เพ่งเป็นอย่างนี้อะไรอย่างที่หลวงพ่อเทศเนะี่ยเสียเวลาไปฟังซีดีก็ได้ ถ้าเอาสภาวาไปส่งนะถึงห้มีประโยชน์จริงเช